กลัวผีทำยังไงดีบทความโดยดังตรินจะทําโดยอภิญญาแก้วมูลกิจถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่มืดมืดไม่ได้จะเกิดความกลัวผีอย่างรุนแรงวันนี้เรามาคุยกันว่าทํายังไงจะหายกลัวการพูดถึงผีเป็นเรื่องดีถ้ามันนําไปสู่ความเข้าใจว่าความกลัวนั่นแหละ ตัวเชิญผีความกลัวนั่นแหละกลิ่นเรียกผีถ้าจัดการความกลัวได้อย่างเดียวถึงผีปรากฏตัวคุณก็ไม่รู้สึกต่างจากเห็นคนแปลกหน้าปรากฏกายสักเท่าใดจริงๆแล้วการจากไปของคนตายยังน่ากลัวน้อยกว่าจินตนาการของคนอยู่เสียอีกคนเราหลอกตัวเองก่อนโดนผีหลอกกันเสมอบางคนกลัวขนหัวลุกไปเองทั้งชีวิต โดยไม่เคยเจอของจริงแม้แต่ครั้งเดียวนึกดีๆความคิดในหัวคุณเหมือนผีเปียบมันหายตัวได้ตอนกลางวันและกลับมาปรากฏตัวใหม่ในเวลากลางคืนหลายคนอ้างว่าได้ยินเสียงเล็กเสียงน้อยในห้องนอนในห้องน้ำหรือกระทั่งในหัวตัวเองทำเอาชีแคบราดคุณว่าแปลกไหมละ่ะปรากฏการที่ยิ่งใหญ่ในธรรมชาติมีอยู่มากมาย อย่างเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่ากึกกร้องคำรามไปทั่วราวกับทั้งโลกต้องได้ยินพร้อมกันแต่เราก็หวาดกลัวเสียงดังขนาดนั้นน้อยสกว่าเสียงกระซิบแผ่วในห้องนอนตอนดึกๆึกเสียอีกไม่เคยเห็นผีแต่ฟังเสียงเล่าลือว่าผีหน้าตายอย่างนั้นทำเสียงกุกกักตอนกลางคืนอย่างนี้สรุป ค, คือเสียงเล่าเสียงลือนั่นแหละผีตัวจริง ถ้าคุณปล่อยให้เสียงเล่าลือเข้ามาอยู่ในหัวก็ไม่ต่างอะไรกับปล่อยให้ผีเข้ามาสิงสู่อยู่รอบๆตัวนั่นเองเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีมีอยู่ทุกชาติทุกภาษาแต่ความจริงเกี่ยวกับผีนั้นแทบไม่ปรากฏอยู่ในภาษาไหนเพราะส่วนใหญ่เราให้คนเป็นๆ เ, เล่าไม่ใช่เอาผีมาสัมภาษณ์ลองหัดวาดรูปผีขึ้นมา แล้วจะตรหนักว่าภาพผีที่แท้จริงมาจากความไม่รู้ในหัวของคุณไม่ใช่มาจากการที่คุณเคยเห็นมันจริงนักประพันธ์เรื่องสยองขวัญบางคนยอมรับว่ามีความสุขที่จะฝันร้ายเพื่อจะได้มีเรื่องผีชั้นดีมาเขียนหลอกคนอ่านความจริงมันเป็นอย่างนี้เรื่องผีๆส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยนักประพันธ์ที่ไม่เคยเจอผีจริง แถมเล่าลือสืบสืบกันแล้วก็เอามาสร้างเป็นหนังโดยคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยด้วยซ้ำแค่ใช้เทคนิคการเล่าหรือการสร้างหนังให้ดูได้อารมณ์เท่าเนี้ยกวาดเงินจากคนดูเป็นกอบเป็นกามแล้วสมัยก่อนคนสมัยโบราณจะกลัวผีกันเฉพาะตอนกลางคืนแต่เพราะเทคนิคการเล่าของนักประพันธ์ยุคใหม่ทาให้คนยุคเรากลัวผีแม้กระทั่งตอนกลางวันเพราะเห็นในหนัง อ่านจากนิยายว่าผีก็ทำตัวน่ากลัวตอนกลางวันได้ฉะนั้นขอให้รู้ไว้เถอะว่าการรับความกลัวมาจากหนังหรือนิยายก็คือการช่วยทำรายได้ให้นักประพันธ์และนักสร้างหนังนั่นเองพอนักประพันธ์และนักสร้างหนังคิดเรื่องผีๆใหม่ได้เขาก็ทำเงินส่วนคุณก็ต้องทำใจ คิดสิอย่างเนี้ยขณะกลัวคุณจะกลัวน้อยลงทันทีเพราะไหนๆก็เสียเงินไปแล้วอย่าเสียจิตเพิ่มอีกเลยจะดีกว่าและต่อไปเวลาฟังคนเล่าเรื่องผีลองเงี่ยหูฟังเสียงเล่าของเขาดีๆแล้วคุณจะพบว่าเป็นเสียงที่เกิดจากความคิดเอาเองไม่ต่างจากเสียงในหัวของคุณเท่าไหร่ใจคุณให้ผีอยู่ในอะไรสิ่งนั้นก็น่ากลัวได้ ทางที่ดีให้พิจารณาว่าส่วนใหญ่เราได้ยินเสียงผีกันทางลำโพงเครื่องเสียงถ้าจะกลัวก็ควรกลัวที่ที่มีลำโพงไม่ใช่กลัวอากาศว่างเปล่าและจะว่าไปผีร้ายในอากาศอย่างน่ากลัวน้อยกว่าผีร้ายในร่างคนเพราะผีในอากาศจะมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้รู้แต่ผีร้ายในร่างคนมีอยู่จริงแน่ๆ แล้วมันก็ทำร้ายคนด้วยกันได้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผีดาผีกู้ไม่ผิดผีปล้นฆ่าผีข่มขืนผีขายยาสรพทัที่เห็นกันตามทีวีและหนงังสือพิมพ์เมืองปีศาจมีจริงและคุณอาจกำลังอาศัยในเมือง น, นั้นอยู่ก็ได้คุณไม่มีทางออกจากเมืองปีศาจมีทางเดียวคือเปลี่ยนเมืองปีศาจให้เป็นเมืองมนุษย์ มาว่ากันเรื่องผีตัวจริงบ้างถ้าจะมีจริงผีมาจากอะไรผีที่เกิดจากปัญหาสังคมยังพวกโดดตึกตายเพราะปัญหารุมเร้าตังก็มีปัญหาของเขาเองที่ยังแก้ไม่ตกถ้าเจอพวกเขาแทานที่จะกลัวคุณควรเตรียมตัวเตรียมคำถามไว้ดีกว่าว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหมส่วนผีตายโหง หรือพวกที่ตายก่อนวัยด้วยอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมพวกเนี้ยมักะหนกตกใจอย่างรุนแรงก่อนตายถามตัวเองว่าคุณสมควรกลัวคนกาลังตกใจหรือเปล่ามันน่าให้คิดเห็นใจอยากปลอบกันมากกว่านะเรื่องมันแย่ตรงที่ผีกลับมาเล่าแบบจับเขาคุยไม่ได้ว่าที่คุณเห็นไปหรือที่คุณกลัวไปนั้น มันถูกต้องตามที่เขาเป็นหรือเปล่าคุณเข้าใจเหตุผลในการปรากฏตัวของเขาถูกต้องแล้วหรือจึงขวัญหนีดีฟอไปได้สรุปคือความกลัวผีมีสองแบบหนึ่งคือกลัวเพราะเคยเห็นสองคือกลัวเพราะไม่อยากเห็นและความกลัวผีในโลกมนุษย์นี้ 99% เปอร์ซ็นเป็นประเภทหลังพระพุทธเจ้าให้ระลึกว่าเรามีความตายเป็นเบื้องหน้าความตายจะมาถึงเราเป็นธรรมดาอาศัยความรู้สึกถึงอิรยาบทปัจจุบันเป็นตัวตั้งเห็นว่าท่าทางที่กำลังมีอยู่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้วันหนึ่งจะต้องนอนลงยังไม่อาจลุกขึ้นมาอีก ลมหายใจที่เข้าบ้างออกบ้างในขณะนี้วันหนึ่งจะหยุดสงัดแล้วไม่เข้าไม่ออกอีกด้วยการเห็นว่าเราจะต้องไปเป็นเพื่อนผีจะทำให้หายกลัวผีและเร่งให้สร้างความสว่างแก่ตนเพื่อจะได้เป็นผีสว่างไม่ใช่ผีมืดในร่างมนุษย์อย่างที่เห็นเกลื่อนเมืองกันทุกวันนี้